โลกทุกวันนี้วุ่นวายผู้คนไม่ค่อยมีความสุขมีคนมาเลา่าบางบริษัทนะให้เงินเดือนครึ่งเดียวแล้วบางแห่งให้ 75% บางทีก็ให้ทำงานครึ่งวันให้ซ้อมไหมให้ซ้อมอยู่บ้านเนเทียนคุมพาให้จะให้อยู่บ้านในโลกนียุ่งยุ่งวุ่นวายมาก ถ้าคนไหนมีธรรมะไว้ก็ฟัอย่างชั่วเมื่อวานไปดูร้านต้นไม้คนขายต้นไม้บอกรุ่งนี้ต้นไม้ขายดีบอกเอศรษฐกิจแย่ไม่ขายดีบอกพวกที่ตกงานอะ่ะพยายามมาซื้อต้นไม้จะจะตั้งร้านขายห้ามพวกไม่ฟังไม่รู้จักต้นไม้เลยอยู่ๆติดขายต้นไม้นะเอาต้นไม้กลางแจ้งไว้ไว้ในร่มต้นไม้ในร่มไว้กลางแจ้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เจ๊ง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 มจะทุกข์ล้วนๆแต่กว่าจะแจ้งกว่าจะยอมนะฝังตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆหนึ่งถ้าภาวนาเอาแค่เบื้องต้นโสดาสตะกะคากี่พอเล่นๆดูเล่นๆไปดูสบายๆจะภาวนาให้แจ้งอริยสัจให้แจ้งทุกข์ต้องสู้ตายจริงๆนึสูู่บาอจารย์บอกนิพพานอยู่ฟ้าตายรอตายไปแล้วถึงเจอ ในตอนต่อสู้เราไม่คิดเลยว่าจะรอดคิดว่ารอบนี้ตายแญ่แก่เลยถ้าไม่ตายก็บ้าความทุกข์มันบีบคันรุนแรงครูบาอาจารย์เล่าหลวงูม่มั่นท่านเห็นทุกข์อย่างแสนสาหัสนะท่านทุกข์ท่านภาวนาแล้วท่านไม่ถอยทุกครู้ทุกไปได้รู้จนท่านสลบไปสามรอบนะรอบที่สามใจถึงยอมวางในใจซึ่งมีแรงมากใจพระโพธิสัตว์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 คุณพูดคุณบนอะไรนี่ไห น, น, น, น, นก็เจอเจอทุกที่ไปโน้นไปบอกธรรมะเขานะธรรมะดูทีแรกก่อนหลวงพ้อจะไปนะดูเครียดเครียดไม่ค่อยมีความสุขนะเคร่งเครียดอึดอัดสะบวลกไวน์รอจะสังเกตไหมบนบนกอนเลิกแล้วจิตไม่เหมือนเดิมหรอกมันเปิดบานแจ่มใส ignored, สว่างสวยได้ยินธรรมะเข้า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 พอหมดความยึดถือกจยถือใจนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้นิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานไม่ได้อยู่ที่ส่วนสันติธรรมนะนิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดนนทนวัดนี้นิพพานไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตายแล้วนิพพานก็ได้ตายไปด้วยนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาวิธีปฏิบัติเพื่อให้เราแจ้งพระนิพพานก็มีพระพุทธเจ้าก็สอนไว้คือวิธีเจริญวิปัสนากรรมฐานต้องทํานิพพสนานะ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 ไม่ใช่ไปเห็นใจรักข้างนอกเลยนะอย่างบางคนไปเดินจงกรมแอบพื้นเย็นรู้ว่าพื้นเย็นพื้นอ่อนพื้นแข็งพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งแต่รู้พื้นรู้มันทําไมไม่มีใครเห็นว่าพื้นเปนตัวเราหรอกตัวเราอยู่ตรงไหนก็รู้ลงไปตรงนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่รู้สึกเป็นเราคือกายกับใจรู้สึกอยู่รู้จนแจ้งแจ้งระวังเองไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนมากนะค่อยๆเรียนค่อยๆดูไป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 เหตุนั้นได้แต่สมสถะไม่ได้เรื่องอะไรดอกเกิดนี้มงนิมิตเลยขึ้นมาแปลกๆเท่นั้นถ้าจิตตั้งมั่นจริงนะจิตจะเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายก็เพิ่มเข้ากระเพิ่มออกจิตเป็นคนดูแล้วมันก็รู้ทันทีเลยร่างกายที่ท่องที่ยุบอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยดังนั้นาเมื่อไหร่จิตตั้งมั่นนะปัญญาจะเกิดมันจะเห็นไตรลักเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราทุกคนก็ขยับมือ หลวงพ่อเคยเไปกราบหลวงพ่อเตียนสองสครั้งขยับหลวงพ่อเตียนขยับหลวงพ่อเตียนตื่นตอนนั้นท่านสอนคนเยอะศาลาท่านผอมๆเลยยาวๆศาล า, าไม้โยมก็นั่งกันใหญ่ไอ้พวกหนึ่งก็แต่ตัวตรงๆนะนี่หลวงพ่อทําใหมายถึงใจนะใจเป็นดีไปไปไหนก็ลูกออกนอกวัดไปละ พวกนึงพวกนี้พวกเคร่งเครียดพวกนี้พวกลอยถ้วยลอยถ้วยไหลไปทางไหนก็ไม่รู้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวใจตั้งมา่นอยู่รู้สึกเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูไปดูไปทั้งสลาก็มีแต่หลูพ่อเดียนตื่นอยู่ <c oughs> องเดียว <c oughs> นั่นแหละก็ฝันฝันเลยเคร่งเค่งเ ไปเดินจงกมรมบางคนเดยนจงกรมเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไม่รู้หเลยพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งจิตไหลไปอยู่ที่พื้นนั่นเลยเท้า อ, อ, ก อ, อ, กอีกทุเรนหนักบอออีกไ ม, ไม่รู้มันทําไมมีใครไปรู้สึกว่าพื้นเป็นตัวเรามันก็ไม่มีนะก็รู้รู้กายรู้ใจป็นเนี่องทำไมเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราดูกายดูใจยนถอนความเห็นผิดว่าเป็นตัวเรา นั้นบางคนเดียนโยมกรมเแล้วไปรู้พื้นบ้างบางคนไปรู้ที่เทา้าเท้ายกก็รู้นะยกเท้าขึ้นมา ก, กรู้ยกซ้นยกเทา้าต้องยกสามนิ้วดเลยนะยกมากกว่านั้นก็ไม่ได้มากไม่ได้เราเดี๋ยวลม้มถ้ายกนานเรื่องยกไหนห่อยๆต้ อ, ย อ, ยองสอบแตกกันทําไปทําไมหวังว่ามันจะดีหวังว่าจะดีวิปัสสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้น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 หรือหนีไปคิดเรื่องหนังในจออะไรเนี่ยใจมันหนีไปตลอดไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพรานั้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็อย่าเพ่งรู้สบายๆจ้องเคร่งเครียดนะในสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นเองง่ายๆอันหนึ่งหลงไปลืมกายลืมใจอันนึงเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้สองสิ่งนี้เป็นความฝุดตรงสองด้านที่ทําให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจทำความเป็นจริงได้เพนั้นใจลอยไปรู้สึกนะรู้ทัน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 เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะของรูปของนามของกายขิงใจนี่ก่อนจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายขิงใจได้ก็ต้องดูเห็นตัวรูปตัวนามต้องรู้ตัวกายตัวใจคือตัวสภาวะซะก่อนถ้าหัดรู้ตัวสภาวะพอรู้สภาวะเป็นแล้วรู้ด้วยใจที่ไม่เผลอรู้ด้วยใจที่ไม่เพ่งจะเห็นไตรลักตัวที่เห็นไตรลักณ์ของรูปของนามเรียกว่ามีปัญญา ให้รู้กาย ร, รู้ใจสบายๆอย่าบังคับตัวเองาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาเก็บกดไม่ต้องมาเก็บกดศาสนาพุทธพุทธะแปลว่ารู้เห็นไหมาศาสนาเราก็บอกอยู่แล้วว่ า, าศาสนาของการรู้ไม่ใช่าศาสนาของการเชื่ออย่างไม่ต้องมีเหตุผลไม่ใช่าศาสนากดข่มบังคับตัวเองไม่ใช่าศาสนาสงบนิ่งๆไม่รู้เหนือรู้ใต้สบายลูกเดียว ศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งการรู้รู้อะไรเบื้องต้นรู้กายรู้ใจไปเบื้องปลายจะรู้พั น, นธิพานเมื่อไห่พนกายคนใจได้จะถึงนิพพานไม่ยากหรอกอยากบางคนภาวนาไม่กี่ปีเลยปุ๊บปั๊บปั๊ บ, บ, บเราก็เห็นกันละเช่นบางคนเช่นพระพายะฟังธรรมะพุ๊เดียวก็จบแล้วเห็นไหมไม่เห็นจะยากเลยถ้านอนหนานหน่อยหลายสิบทีเนี่ยท ง, งานเยอะไม่ค่อยได้ดู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 เวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขกว่าเมื่อกี้ดวออกไหมไ ม, มีความสุขรูว่ามีความสุขนะหนาวไหมอะไรหนาวร่างกายหรือว่าใจดูซีอะไรมั็นหนาวสังเกตุในกายในใจนี่ร่างกายหนาวร่างกายไม่ได้บด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 แต่เรามันทํางานตลอดเวลาไม่ได้สุดห้ามมันให้นิ่งหรอกรู้ไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะลภบกรดหลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้สงสัยก็รู้นะรู้เล่นๆไปอาจดูสภาวะเล่นๆไปนะสภาวะทั้งหมดเดี๋ยวแสดงใส่รักให้ดูอย่าไปเพ่งนะถ้าไปเพ่งอยู่ไม่มีใส่รักนะเช่นใจไม่โกรธขึ้นมาแล้วเพ่งใส่ความโกรธ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 โลภุเทศไกสันหลวงพ่อนะบอกว่างานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดงานทางโลกไม่สิ้นสุดหรอกนะอยังไปทํางานได้เงินเดือนมาใช่ไหมเอามากินก็ต้องทํางานอีกเอามากินอีกเมื่อไหร่จะสิ้นสุดหรือคนทําไร่ทํานาถึงปีก็ ท, ทําปีอันนี้ปลูกมันเดี่ยก็ปลูกเดี๋ยวก็ปลูกอยูย่ไม่มีวันสิ้นสุดหรอก แต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดคอยรู้กายคอยรู้ใจแล้วสิ้นสุดได้นักปราชทั้งหลายเลยให้ความสําคัญกับการพัฒนาใจของเราใหงานทางใจ เ, เสร็จมีความสุขสมัยพุทธกาลมีพระมีกรรษัตริย์อนุรุตเจ้าอนุรุตเจ้าชายอนุรุตมีที่ชายชื่อมหานำมะตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกระบิลพัฒน์เนี่ยเจ้าเชื้อสายต่างๆ สายพันธุ์ต่างๆจะต้องออกบวชคนหนึ่งแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลเนี่ยสมัยพื่งกันต้องออกบวชคนหนึ่งเจ้าชายมหานามาก็มาถามน้องชายว่าให้น้องชายบวชเอาไหมน้องชายคือพระนุรก็ถามบอว่าบวชแล้วต้องทําอะไรบอกว่าบวชแล้วต้องไปบิดถบาศต้องอยู่ที่โคนไม้ต้องใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วไม่สบายต้อง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 ท่านเอาปัวบทท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งส่วนมหานามาสหลังกระโดดน้ำตายถูกวิ ท, าาทูธพระตีกระบิรพัตแตจกจับมหานามาส้ะกระโดดน้ำตายไม่ยอมนั่งกินข้าวร่วมกับวิทูธพะเสียศักดิ์ศรีเพราะวิทูทภะเป็นจันทร์านนงานในโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะการปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมีที่สิ้นสุดจุดที่เขาสิ้นสุดในเราจะรู้ได้ตัวเองเลย มีแต่ความสุขล้นๆนเลยโดยที่ไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาถ้าสังเกตสภาพของจิตใจในจิตใจยังไม่แยกเป็นสองส่วนอย่างบางคนบอกมีความสุขนะจิตไหลไปอยู่ในความสุขเกาะนิ่งๆว่างๆนี่ยหลวงพ่อเห็นในอราหันต์เพียมทั้งหลายนะจิตไปอยู่ข้างนอกว่างๆเพลินๆไปวันๆบอกมีความสุขมันไม่ใช่ของจริงหรอกจิตมันมีสองชั้นถ้าของจริงจิตเขาเรียกว่าจิตหนึ่งมีจิตเดียว หลวงพ่อคำเขียนท่านเรียกใจเดียวคล้ายๆรักเดียวใจเดียวนะมีใจเดียวหลวงปู่บุตดาเขาเรียกว่าจิตเดียวหลวงปู่โดนเรียกจิตหนึ่งท่านพูดท่าๆเรียกจิตเถิมแพ้่อธิธรรมจะเรียกว่ามหากริยาจิตมีหลายชื่อสภาวะจิตชนิดนี้นะไม่ไปไม่มาคไม่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติล้วนๆเลยว่ากลืนอยู่ในธรรมะ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 ไม่มีความอยากไม่มีความปรุงแตง่งหรือนี้อะไรปรุงแต่งมันได้เป็นจิตที่พ้นจากความปรุงแตง่งจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งก็มีคุณสมบัติสําคัญคือไปเห็นธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งได้พ้นธาตุพ้นขันพ้นกิเลสพ้นความปรุงแตง่งไปเห็นนิพพานได้ดังจิตที่เราที่แหลพัฒนาจิตให้ฉลาดแฝงคมะรู้กายรู้ใจไปจนหมดความยึดถือใายยึดถือใจเราจะได้รับนิพพานเห็นนิพพานมีจริงๆนะไม่ดได้หลอก